สมภัสสยองผียายแจ่มเราเป็นคนชอบฟังชอบอ่านเรื่องผีมากและมักจะให้แม่ของเราเล่าเรื่องผีหรือเรื่องที่สยองขวัญให้ฟังอยู่ บ, บ่อยๆจนถึงวันที่แม่ได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับยาย ซึ่งเรื่องดาวนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแม่เล่าให้ฟังว่าย้อนไปประมาณ30กว่าปีก่อนตอนแม่อายุ15หช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลเดือนสิบตอนเที่ยงของวันวันหนึ่งอยู่ๆ ย, ยายก็นึกอยากจะไปตกปลาซึ่งปกติก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักโดยเฉพาะวันพระยายจะไม่ไปเลยแต่วันนั้นเป็นวันพระ ก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้ยายไปตกปลายายช่วยคันเบ็ดเดินไปที่สระน้ำในหมู่บ้านอยู่ในซอย12ซึ่งบ้านยายอยู่ในซอย13หมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดชุมพรระยะห่างระหว่างบ้านยายไปถึงต้นซอย13ก็ห่างกันประมาณครึ่งกิโลเมตรเดินต่อไปอีกไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรก็ถึงคลองซึ่งวันนั้นยายไปตั้งแต่เที่ยง แม่ก็เอกใจว่าทำไมเย็นแล้วยายยังไม่กลับบ้านช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นยายเดินจากครงไปนอนบนแคร่ที่หน้าบ้านอาของแม่แต่ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่รู้ว่ายายนอนอยู่บ้านอาซึ่งระยะห่างของบ้านก็ห่างกันแค่ถนนฝั่งหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเวลาผ่านไปจนถึงช่วงพบคา ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็ยนแล้วยายก็เดินกลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่พูดไม่จากับใครเดินเข้าห้องไปแล้วนอนห่มผ้าพอสักพักก็ลุกขึ้นสะบัดผ้าหม่มแล้วก็พูดว่าไม่นอนแล้วบ้านนี้ร้อนจะตายโงงจากนั้นยายก็เดินไปนั่งหน้าบ้านแล้วอยู่ๆก็บ่นว่าหนาว หนาวมากลูกๆของยายรวมทั้งแม่ของเราก็ออกไปหายายที่หน้าบ้านแล้วถามว่ายายเป็นอะไรแต่ยายก็ร้องไห้พร้อมกับตัวสัน่นแล้วก็บอกว่าหิวหิวก็หิวหนาวก็หนาวลูกหลานใจดำไม่ทําบุญไปให้เลยเห็นคนอื่นได้กินแต่เรากลับไม่ได้กิน แม่ของเราก็เห็นท่าไม่ดีเลยให้พี่ชายไปตามคุณตาเพื่อมาดูยายพอคุณตาเห็นก็เลยเดินไปในห้องกลัวแล้วพูดกับแม่ของเราเบาๆว่าไปเอาทูบมาขนาดนั้นยายอยู่หน้าบ้านแต่กลับได้ยินที่ตาพูดยายเลยตวาดว่าเอามาทำไมล่ะทูบอะตาก็เลยเดินมาที่ยายแล้วถามว่าเป็นใครมาจากไหน ยายบอกว่าอยู่ที่สระน้ำเขาปล่อยมาช่วงเดือนสิบก็เลยมาอยู่ที่สระน้ำทั้งหิวทั้งหนาวตาเลยถามว่าชื่ออะไรเวลาทําบุญจะได้เอ่ยชื่อถูกยายก็พูดขึ้นว่าชื่อแจมตอนนั้นแม่และนานากลัวมากคุณตาเลยให้ไปตามหมอผีในหมู่บ้านมา พอหมอผีมาถึงแล้วก็ยังไม่ทันจะลงจากรถวิญญาณที่อยู่ในร่างยายก็ออกจากร่างไปก่อนที่หมอผีจะเข้าไปทําพิธีสักพักยายก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนเพลียเหมือนจะเป็นลมคุณตาก็เลยแบลวยาลมมาให้กินวันรุ่งขึ้นคุณยายกับคุณตาก็เลยไปทําบุญให้ผียายแจ่มที่วัดพร้อมทั้งทาบุญถวายผ้าห่มให้กับวัดด้วย แสงจากเชิงตะกอนนิวเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เธอเป็นเด็กอายุประมาณ 6-7 เขวบเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบชนบทย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนสมัยนั้นอะไรอะไรยังไม่ทันสมัยรถราหน้อยมากครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านมีงานศพของคุณตาคนหนึ่งตอนแกยังอยู่ แกก็เป็นคนธรรมดาที่ชอบเข้าวัดฟังธรรมตามประสาคนแกแกเสียชีวิตได้โรคประจำตัวทางญาติญาติก็จัดงานกันไปตามปกติจนมาถึงวันเผานิวกับเพื่อนเพื่อนอีก6กเจ็ดคนก็ได้ไปร่วมงานด้วยพวกเด็กๆมองนั่นมองนี่ตามประสาเราเวลาเก็บเหรียญโปรยทานที่ผู้ใหญ่โยนให้เพื่อเป็นกุศลแกผู้ที่ล่วงลับ ช่วงนั้นเป็นหน้าฝนบรรยากาศมืดสลัวฝนตกปลอยๆยนิวก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะบ้านของเธออยู่ติดกับวัดถ้ามองจากบนบ้านก็สามารถมองเห็นเขาทำพิธีได้อย่างง่ายดายการทำพิธีในสมัยนั้นจะนำศพไปเผาบนเชิงตะกอนพอถึงช่วงที่พระทาพิธีลากเกวียนบรรทุกลงศพ เดินวนรอบเชิงตะกอนสามรอบนิวมองดูเขาทำพิธีตามประสาเด็กไม่กลัวไม่คิดอะไรสักพักเธอก็มองเห็นลำแสงสีแดงยาวอยู่บนท้องฟ้าตอนแรกเธอไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเพื่อนๆประมาณสามสี่คนมาสกิดถามไว้เห็นไหมนิวจึงสนใจขึ้นมาหันมามองเฮงดูอีกครั้ง ลำแสงนั้นเป็นลำแสงสีแดงที่ยาวทอดลงจากท้องฟ้าจนมาถึงตรงเชิงตะกอนพอดีทันใดนั้นลำแสงก็เปลี่ยนรูปร่างเหมือนคนกำลังก้าวยาวๆขึ้นไปบนท้องฟ้านิวตกใจกับสิ่งที่เห็นมากเธอวิ่งไปบอกพ่อที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากที่นั่งของเธอชี้ให้พ่อดูแต่พ่อกลับบอกว่าไม่เห็นมีอะไร เมื่อพ่อไม่สนใจนิวก็กลับมาหาเพื่อนอีกครั้งถามจะพวกนั้นมันก็ยังเห็นเหมือนกับเธอแต่ทำไมพวกผู้ใหญ่กลับไม่มีใครมองเห็นเมื่อแสงสีแดงรูปร่างเหมือนคนหายลับไปจากท้องฟ้านิวก็เห็นเมฆฝนสีดำเทาบนท้องฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเวลาฝนตกแต่ที่แปลกคือมีวงตรงกลาง ที่สว่างกว่าก้อนเมฆอื่นๆในนั้นเธอเห็นภาพสะท้อนพิธีกรรมที่กําลังทําอยู่ข้างล่างขณะนั้นพระกําลังทําพิธีลากเวียนรอบเชิงตะก่อนเมื่อมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นเป็นพิธีเดียวกันอยู่ในวงตรงกลางก้อนเมฆนั้นด้วยนิ้วหันไปถามเพื่อนด้วยความสงสัยว่าเห็นอย่างที่ตนเห็นหรือเปล่าเพื่อนตอบว่าเห็น ถามเด็กๆอีกห้าหกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เห็นกันหมดพวกเด็กๆพยายามชี้ให้ผู้ใหญ่ดูแต่ผู้ใหญ่กลับบอกว่าให้รีบกลับบ้านไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเธอเห็นเพียงแค่คนเดียวยังพอจะคิดได้ว่าเธออาจจะตาฝาดหรือคิดไปเองแต่นี่เห็นพร้อมกันตั้งห้าหกคนจนถึงวันนี้นิวก็ยังหาคำตอบไม่ได้ ว่าสิ่งที่เธอกับเพื่อนๆ เ, เห็นนั้นคืออะไรตาสีหัวขาดเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วช่วงนั้นนิวยายุประมาณ 10-11 ขวบเรียนอยู่ปห้าปหเห็นจะได้ตอนนั้นเป็นช่วงหน้าร้อน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนิวอยู่ในหมู่บ้านทางภาคอีสานช่วงนั้นจะเป็นฤดูการของมะม่วงในหมู่บ้านของนิวนั้นมีต้นมะม่วงเยอะมากบริเวณแถวนั้นแทบทุกบ้านออกลูกสุกเต็มตน้นแม่จะชอบเก็บมาทำมะม่วงกวนเอาไว้กินกันพวกเด็กๆมีหน้าที่เก็บมะม่วงเอาไปให้แม่ของตัวเอง เก็บกันแบบเอาเป็นเอาตายแม้มืดค่ำก็ยังเก็บกันอยู่แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดตอนคำ่ำถทว่ามันเกิดขึ้นในตอนเช้ามืดวันนั้นแม่ปลุกนิวตั้งแต่ตีสี่เพราะแม่ต้องตื่นเช้าลงมานึ่งข้าวที่ต้องปลุกนิวด้วยเพราะวันนี้นิวมีนัดกับเพื่อนๆว่าจะออกไปเก็บมะม่วงกันเธอเองก็ไม่รู้ว่า จะไปกันตั้งแต่เช้าทำไมเวลาประมาณตีสี่ครึ่งเห็นจะได้นิวเตรียมข้าวของมีไฟฉายและตะกร้าไว้ใส่มะม่วงแล้วก็เดินมาสมทบกับเพื่อนอีก 5-6 าหกคนตอนนั้นชาวบ้านตื่นขึ้นมานึ่งข้าวกันบ้างแล้วแม้จะยังมืดแต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรพวกเด็กๆ เ, เ, เดินเท้าไปเก็บมะม่วงที่อยู่ในที่นา ห่างจากถนนใหญ่อยู่พอสมควรนิวและเพื่อนเดินเก็บกันไปเรื่อยๆได้บางไม่ได้บ้างเฮฮาตามประสาเด็กวิ่งแย่งมะม่วงกันบ้างเอามะม่วงที่เน่าแล้วปาใส่กันบ้างสนุกสนานกันไปเพราะเก็บมาได้สักพักก็มานั่งพักกันตอนนั้นฟ้ายังมืดอยู่พวกเด็กๆได้มะม่วงประมาณคนละครึ่งตะก้า แต่เห็นว่ายังไม่พอจึงต้องหามาเพิ่มอีกก็เลยชวนกันเดินเก็บไปเรื่อยๆจนมาถึงต้นมะม่วงชายป่ามันต้นใหญ่มากลูกดกสุกเต็มต้นลูกไหนที่สุกงอมก็หล่นลงพื้นเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเด็กๆดีใจกันใหญ่รีบเก็บจนได้เต็มตะกร้าเมื่อได้มะม่วงเพียงพอและกำลังจะกลับ เด็กผู้ชายคนหนึ่งก็แกล้งตะโกนบอกผีผีผี พ, พวกที่เหลือก็ร้องกรีดวี๊ดวายเด็กคนนั้นก็หัวเราะชอบใจใหญ่นิวและเพื่อนๆแกล้งหยอกเล่นไปสักพักแต่เหมือนมีอะไรดนใจทําให้พวกเธอเงียบพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายแล้วพวกเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินย่ําเท้าหนักๆ เดินมาจากในป่านิวคิดว่าคงเป็นหมาหรือไม่ก็สัตว์อะไรสักอย่างพอมองไปที่ต้นเสียงก็เห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่ใส่เสื้อสีน้ําเงินกางเกงขากุ้ยสีดําไม่ใส่รองเท้าเมื่อมองดูที่เท้าของแก่ก็เห็นว่ามันใหญ่มากถ้าจะให้ใส่รองเท้าก็คงจะเป็นเบอร์4748ิบเินจะได้เขาเดินออกมาจากป่า ลงมาที่พวกเด็กๆนิวพยายามเพ่งมองว่าเป็นใครเพราะอาจจะเป็นคุณตาเจ้าของต้นมะม่วงก็ได้แกชอบมาที่นาของแกในตอนเช้าเป็นประจำพวกเด็กๆอยู่ห่างจากแกประมาณสิบเมตรตอนนั้นท้องฟ้าสลัวเพราะใกล้จะสว่างแล้วในขณะที่นิวกำลังอ้าปากทักแกว่าตามาทำอะไรแต่เชา้า แต่ไม่ทันที่จะพูดจบแกก็เดินใกล้เขามาเหลือระยะห่างจากพวกเด็กๆแค่ไม่กี่ก้าวเมื่อมองชัดเจนขึ้นพวกเด็กๆ ก, ก็เห็นว่าชายคนนั้นมาแต่ตัวไม่มีหัวภาพที่เห็นมันชัดมากจนเห็นว่าตรงคอของแกน่าจะโดนฟันหรือไม่ก็โดนอะไรตัดออกเพราะมันเป็นแผลเวิร์วักและมีเลือดไหลยอยู่ตลอด เมื่อเห็นอย่างนั้นพวกเด็กๆ ก, ก็วิ่งหนีด้วยความตกใจทิ้งรองเท้าไฟฉายและตะกร้าเก็บมะม่วงกระจัดกระจายพวกเด็กวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่นิวละเพอนต่างพากันร้องไห้พูดจามไม่รู้เรื่องชาวบ้านที่กำลังต้อนวัวต้อนควายก็ออกมาเจอเขาเมื่อถามเด็กๆ ก, ก็เอาแต่ร้องไห้เพราะตกใจจนพูดไม่ออก หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็มารับเด็กแต่ละคนพาไปทําพิธีเรียกขวัญหูกข้อมือแล้วก็รดน้ํามนต์จากนั้นก็ได้มารู้ทีหลังว่าที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่าถ้าคนตายปกติเขาจะนําศพไปเผาแต่ถ้าตายโหงเขาจะเอาไปฝังแล้วสิ่งที่พวกนิวเจอคงจะเป็นตาสี ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแกได้ถูกโจรปล้นบ้านและฟันคอขาดศพแกก็ได้ถูกนำไปฝังยังป่าช้าเก่าแห่งนั้นเมื่อพวกเด็กๆไปบริเวณ น, นั้นแล้วส่งเสียงดังแกคงจะรำคาญที่เด็กๆมาส่งเสียงดังในที่ของแกก็เลยออกมาให้เห็นตอนกลางวันนิวเองก็เคยไปหาของป่ากับพ่อ ที่ตรงนั้นจะมีหลุมฝังศพจำนวนมากมีถ้วยชามของใช้เก่าๆเต็มไปหมดพ่อบอกว่าไม่น่ากลัวหรอกถ้าเราไม่ไปกวนเขาเรามาหากินไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่จนมาถึงวันนี้ที่ตรงนั้นก็ยังอยู่แต่เจ้าของได้ตัดต้นมะม่วงขายไปแล้วเรื่องนี้จึงเป็นประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่ทำให้นิวเชื่อว่าผีมีจริงสมผัสสยอง